ท่านสาธุชนพุทธบริษัท 25 ธันวาคม 2501 เป็น 6 ของ 5 ที่เรียกว่า <c oughs> ตาไม่เห็นเส้นไม่เห็นน้ำหมึกก็ เชื่อท่านจริงๆท่านจริงๆมีความเคารพจริงๆขอย้ำตอนนี้นะบรรดาท่านผู้ฟังถ้าเชื่อไม่จริงเคารพไม่จริง อาตมาก็เคยบ่นแต่ถ้าว่าให้บ่นให้ การบรรทุทุกอย่างของท่านมีผลทุกคราวคนนี้มีความเลื่อมใสมากต่อไป ถ้าศีก็ไงเทวดาเทวะเผอผู้ประเสริฐท่านจะมีเทวดาได้ ก่อนจะตายมีความรู้สึกตัว เป็นคนเลวเทวดาแปลงผู้ประเสริฐก่อนนะวิธีบ่นที่แรกก็ ท่านกําลังอยู่พรท่านมาเห็นเป็น เดิมทีเดียว อ่าเลี้ยงเบอร์อันนี้ทุกรางวัลเหมือนกับที่เค้าพิมพ์เนี่ยอาภาพไปเห็นแต่ <c oughs> เวลานี้ท่านเลยขอร้องบริษัทว่าเอางี้ก็แล้วกันอยาก <c oughs> <c oughs> ข้าวมะข้าวปากหม้อได้ไหมข้าวปากหม้อที่ยังไม่ 3 ก็ไก่ต้มถ้าจนมาก อย่าขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทวดาไม่ช่วย เวลาถวายเท่ากับหมดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อนเวเว 2:00 ชอบไปก็แก้บนด้วยน้ำตาลเมา คือช่วยเขาแล้วเทวดากับลำบากคนบนมีความ ก็เกรงว่าจะเค้าคนไล่ไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้นี้ก็ไปแต่ พอไอ้จับมาแล้วคนนี้ก็ติด เขาจะโฉดคนเข 16 ปีกําลังสวยก็เรียกว่าสวยน่ะ <c oughs> <c oughs> แต่คนนี้ก็หน้าตาน่ารักผิวพรรณดีรู้สึกว่าสวดสงฆ์ก็ดีส่วนสัตว์ก็ดีเธอก็ไปสมัครเป็นหญิงโสเพณีเธอ เป็นแต่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พระครูบา แต่เธอก็จะเป็นอยู่ไม่นานพอได้สตางค์พอเธอก็จะเลิกแต่ว่าท่านนายตรวจ เป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าจะมีสตางค์จ่ายค่าอาหารประจํา อย่างนี้สดแท้ๆเนื้อสดประเภทไม่ต้องต้มนี่รถโอชะท่านก็ย่องเข้าไปเธอก็ต้อนรับ พอโพจาบ้านด้วยกันที่เป็นญาติกันเข้าช่วยเพราะท่านนายตรวจคนนี้เข้าไปอาศัยมาหาสเน่ห์ที่เธอจ้างเข้าทํามีผลมากเป็นเหตุให้นายตรวจคนนี้ลุ่มหลงไม่มาทํา ความจริงเนื้อสดขึ้นนี้หน้าก็จะโอชะมากก็ในที่สุดบรรดานาย <c oughs> แต่คนภายนอกที่สวยอย่างนั้นก็มีสวยกว่านั้นก็ อธิขาว่าเสริมศรีเป็นลูกศิษย์ของหลวงนิพพรเธอคงจะแก้ได้มาหาเธอเธอ ก็จัดพิธีบนให้เขาจัดของเพื่อบน เดิมทีเดียวเธอมาอยู่กับเขาเพื่อประกาศตนเป็นโสภณีและสถานที่ต้อนรับนายตำรวจคนนี้มัน <c oughs> นายตํารวจคนนี้ออกมากลับเข้ามา เธอท่าน <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรขออภัยบรรดาท่านผู้บริษัทก็เลยไม่ <c oughs> เสริมศรีก็มีความอิ่มหนำสำราญสดชื่นเพราะทำงานได้ผลแต่ว่าท่านที่ต้องรับโทษคือกรมหลวงภูธรสำหรับอาตมาเองได้เคยพุกกับท่านทุกคืนเวลาทำใจไปสมาธินิดหน่อยหรือทั้งวันนั่งๆอยู่ บางครั้งท่านมาในชุดเต็มยศของทหารเรือบ้างบางครั้งก็เห็นท่านในในระดับยศพลเอกกันบ้างเขา <c oughs> แต่ท่านก็เตือนมันต้องตายมันชมเรามันก็ตายมันติเราแล้วก็ นัตติโลเกอนินิโตท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่ แต่หลังจากนายตำรวจออก 15 วันหายังไงก็ไม่พบเธอยังไงก็ไม่มา ไม่หนัก 16 เข้ามาถึงก็พบท่านกรม 15 วันเตือน พระคายกกักบริเวณท่านก็โลกท่านบอกว่าถ้ามากักเรื่องอะไรถ้าบอกว่ามีโทษในฐานะที่เข้าประเดชช่องของโสเพณีท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่าอี ให้ไปช่วยนายตำรวจคนนั้นมีมีความเอ็นใจสงสารลูกเมื่อจะเข้าไปมันก็ผิดระเบียบแต่ถ้าจะเข้าไป แต่เกณฑ์ชะตาบุญบารมีของเธอยังไม่ควรจะออกต้องดูกันก่อนถ้าบอกการจะช่วย แต่ทําไว้ก่อนที่จะบ่นถือว่าเป็นคนมีบุญมั้ยท่านก็ แต่คนไร้ความดีไร้ศีลเล่ห์ธรรมผมก็ขอยืนยันว่าเมื่อเค้าช่วยคนก็ ไอ้ภาวนานี่เขาภาวนา ท่านคิดถึงผมผมก็เศร้าท่านขอร้องให้ผมมาผมก็เศร้าแต่ผมมาไม่ได้ถูกกักบริเวณรวมความว่าท่าน <c oughs> <c oughs> เรื่องความว่าเรื่องของกุมภนิพพานยังไม่หมดจะเก็บไว้ต่อตอนต่อไปเรื่องของผี หลวงวะก็ถึงกรุงลุนยพรรณว่าทําไมเธอจะต้อง แต่ว่าอีกสีหน้าของเจ้าปลั่งนี่แหละสําคัญมากเวลาเค้าบ่นผมผมทํางานเวลาเค้าแก้บ่นไอ้ปลั่งมัน ท่านบอกว่าวิสาสาปรมายาติการคุ้นเคยกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี้จะปลั่งนี้จะปลัยมันเป็นเพื่อนคู่ ในฐานะที่บัญญัติเป็นญาติสนิทกันเองกับผมมันก็เลยเอา ผมรับช่วยมันขโมยได้แล้วก็เวลาเข้าบนติด แต่ถ้าชาก่อนยักย่องไปแล้วไม่ได้ไปเลยคืนให้เจ้าของก็หมายผลผล